วันนี้เป็นวันศุกร์ที่9พฤศภาคมพุทธศักราช2568เป็นวันหยุดทำงานเนื่องจากเป็นวันเพื่อชมมงคลมีการทำพิธีแลกนาขวัญเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร การเพาะปลูกพืชพันธุ์อาหารต่างๆเช่นข้าวผักและผลไม้เป็นต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการบริโภคของร่างกายท่านสาธุชนพุทธบริษัทจึงมีเวลาว่าง ไม่ต้องไปทำงานยังได้ใช้เวลาว่างนี้มาเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างความมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจของตนคำว่ามงคล น, นี้แปลว่าความสุข ความเจริญของจิตใจการที่จิตใจจะมีความสุขความเจริญได้จำเป็นที่จะต้องมีการเพราะปลูกพืชของใจพืชของใจนี้ก็เป็นเหมือนพืชของทางร่างกายก็คือ ทางร่างกายต้องการอาหารเช่นข้าวผักผลไม้ต่างๆก็จําเป็นที่ต้องมีการปลูกข้าวปลูกผักปลูกต้นไม้ต้นผลไม้ต่างๆเพื่อที่จะได้เก็บเกี่ยวผลจากการปลูกสิ่งต่างๆเพื่อที่จะได้เอา สิ่งต่างๆคือพืชผลเช่นข้าวผักและผ ล, ละไม้มารับประทานมาเลี้ยงดูร่างกายใจก็เป็นเหมือนกับร่างกายใจก็จาเป็นที่จะต้องมีพืชผลเพื่อที่จะเอามาทำเป็นอาหารเลี้ยงดูจิตใจให้จิตใจอยู่อย่าง ร่มเย็นเป็นสุขพื้นที่พ่อปลูกพืชทางของจิตใจนี้ก็คือตัวใจนี้เองใจนี้ท่านเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่เราจะมาปลูกพืชที่เป็นอาหารของจิตใจก็คือบุญชนิดต่างๆนี่เองการทําบุญทําทานการรักษาศีล การภาวนาสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาเหล่านี้เรียกว่าบุญเป็นพืชที่เราจะต้องปลูกเหมือนกับข้าวเหมือนกับผักเหมือนกับต้นต้นไม้ที่จะผลิตผลไม้ต่างๆออกมาถ้าเราอยากจะให้ใจของเรามีอาหาร เลียงดูอย่างสมบูรณ์เราก็จำเป็นที่จะต้องมีการปลูกพืชต่างๆของใจ ท, ที่ใจของเราเองที่ปลูกพืชต่างๆก็คือใจเพราะใจนี้เป็นเหมือนกับแผ่นดินที่ชาวนาชาวไร่ใช้ในการปลูกพืชต่างๆ การที่เราจะปลูกพืชของใจเพื่อให้มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจเราก็จำเป็นที่จะต้องไปปลูกที่แผ่นดินของใจก็คือปลูกที่ใจใจนี้ท่านจึงเรียกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นที่ทำเป็นที่ทานาทำนาปลูกพืชต่างๆ เพื่ของใจก็คือบุญต่างๆเมื่อได้ทำบุญแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวผลของบุญก็คือความสุขต่างๆที่เราเรียกว่าสวรรค์ชั้นต่างๆเพราะใจนี้ต่อไปเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็จะได้ใช้บุญที่ได้ปลูกฝังเอาไว้ในใจนี้ มาบล่อเลี้ยงจิตใจให้มีความสุขความสบายด้วยการอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆที่เกิดจากการทำบุญชนิดต่างๆสวรรค์ชั้นแรกหรือบุญบุญชั้นที่หนึ่งที่พพุทธเจ้าทรงสอนให้ชาวพุทธเรามา ปลูกกันมาสร้างกันก็คือสวรรค์ชั้นเทพที่มีอยู่หกชั้นด้วยกันการที่จะสร้างสวรรค์ชั้นเทพนี้ก็ต้องปลูกบุญสองชนิดด้วยกันคือต้องทำบุญทาทานแล้วก็ต้องรักษาศีลห้าถ้าเรารักษาศีลห้าเป็นประจำไม่ทำบาปแล้วทำบุญอยู่ เรื่อยๆมีโอกาสมีเวลามีกำลังที่จะทำได้ก็มันทำบุญไปเรื่อยๆก็เหมือนกับการมันปลูกข้าวไปเรื่อยๆถ้าเราปลูกข้าวไปเรื่อยๆยิ่งปลูกมากเราก็จะได้ข้าวมากถ้าปลูกน้อยเราก็จะได้ข้าวน้อยถ้าเราทำบุญมากเราก็จะได้ความสุข ความเจริญที่เรียกว่าสวรรค์มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้ด้วยเพราะถ้าเรายัางไม่รักษาศีลห้าถ้าเราไปทำบาปถ้าบาปที่เราทำนี้มีมากกว่าบุญที่เราทำบาปก็จะเป็นผู้ที่จะดลีงใจของเราให้ไปรับผลของบาปก่อนก็คือ แทนที่จะไปสวรรค์ก็จะไปอยู่ในอบายเช่นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างไปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยที่เรียกว่าเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวเรียกว่าอสุรกายและเป็นดวงวิญญาณที่มีความมาฆาาพยาบาทเครียดแค้นจองเวรจองกรรมก็เรียกว่านรก ดังนั้นถ้าไม่อยากจะไปอบายอยากจะไปสวรรค์<ม>เพราะาอาบายนี้มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้าไปสวรรค์ก็มีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์<ม>ก็ต้องทำทั้งสองอย่างคือทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าให้ได้อย่าทำบาปหรือถ้าทำก็ทำให้น้อยก่า ทำบุญทำบุญให้มากไว้ให้มันมีมากไว้มากกว่าบาปแต่ถ้าไม่ทำบาปได้เลยก็จะดีเพราะว่าถ้ายังทำบาปอยู่บาปที่สะสมอยู่ในใจนี้มันก็จะรอเวลาที่จะส่งผลได้ถึงแม้จะไม่ได้ส่งผลตอนที่มีมีบุญมากกว่าบาปแต่บุญที่เราทำแล้วเราไปรับผลบุญนี้ มันก็จะหมดลงได้เมื่อมันหมดลงถ้าบาปมีมากกว่าบุญขึ้นมาเมื่อไหร่บาปก็จะดิงให้ใจไปอยู่ในอบายต่อไปได้ดนะังนั้นขั้นที่หนึ่งของการปลูกพืชผลปลูกปลูกบุญก็คือให้ทำบุญทำทานใ ห, ให้รักษาศินการทำทานก็คือการทำความดี ต่อบุคคลต่างๆนี่เองทำคุณทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเช่นทำบุญกับศาสนาก็ทำนนพานบารงพระภิกษุสา ม, มเณรปุบาสุปุบาสิกาที่มาอยู่วัดที่มาปฏิบัติธรรมมาศึกษาธรรมในการถ่บาทในการถวายจตุปปัจจัย ใส่บาถวายผ้าจีวรสร้างที่อยู่อาศัยถวา ย, ยารักษาโรคอันนี้เป็นการทำบุญแต่ก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องทำบุญกับาศาสนาเพียงอย่างเดียวทำกับผู้อื่นก็ได้ทำกับผู้ ท, ที่มีพระคุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาปุญาตายาย คูบาอาจารย์ต่างๆถ้าเราเห็นว่าท่านทุกข์ยากเดือดร้อนถ้าเราพอที่จะช่วยเหลือท่านได้ก็ช่วยเหลือไปหรือถ้าท่านไม่ทุกข์ยากเดือดร้อนแต่เราอยากจะให้ท่านมีความสุขเราก็หาข้าวหาของอะไรไปให้ท่านการทาผู้อื่นให้เกิดความสุขนี้เรียกว่าบุญ พอเวลาเราทําให้คนอื่นก็มีความสุขแล้วใจเราก็จะมีความสุขตามมาในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปทําบาปไปทําร้ายผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนให้เขาต่อทุกข์ก่อความทุกข์ต่างๆขึ้นมาใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาจากการกระทาบาปถ้าเราไม่อยากจะมีความทุกข์ใจก็อย่าไปทําบาป ถ้าอยากจะมีแต่ความสุขกห้ทาแต่ก็กายทำแต่บุญทำแต่ความดีต่างๆทำกับบุคคลต่างๆหรือองค์กรสาธารณะกุศลต่างๆที่ทำคุณทำประโยชน์ให้แก่สังคมหร่ออาจจะเป็นโรงเรียนโรงพยาบาลหน่วยกู้ภัยต่างๆเป็นต้นการทำบุญกับ องค์กรเหล่านี้เป็นการสนับสนุนให้เกิดการกระทำความดีทำให้เกิดมีความสุขกับบุคคลทั่วไปแล้วความรู้สึกที่ดีก็จะกลับมาให้กับเราเราก็จะเกิดความรู้สึกในความสุขขึ้นมาแล้วความสุขนี้ก็จะสะสมไว้ในใจไปเรื่อยๆพอถึงเวลาที่ร่างกายตายไป ความสุขนี้ก็จะดึงดวงใจดวงจิตดวงวิญญาณให้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆต่อไปนี่คือขั้นที่หนึ่งของการปลูกพืชทางใจคือปลูกบุญทำบุญด้วยการทำบุญทำทานนักษาศีลห้าก็จะได้สวรรค์ชั้นเทพ แล้วถ้าอยากจะได้สวรรค์ที่สูงกว่าที่มีความสุขมากกว่าคือสวรรค์ชั้นคมเราก็ต้องเพิ่มการทำบุญขึ้นอีกสองข้อด้วยกันคือเราต้องเพิ่มศีล ร, รักษาศีลจากจากรักษาศีลห้าก็ไปรักษาศีลแปดแล้วก็ไปอยู่ตามสถานที่สงบเป็นตามวัดปฏิบัติธรรมต่าง เพื่อจเจริญสตินั่งสมาธิทำจิตใจให้นิ่งให้สงบเป็นสมาธิเวลาจิตใจนิ่งสงบต <c oughs> ราศจากความคิดฟุ้งแต่งมีแต่ความสุขที่จะเกิดจากการทำใจให้นิ่งให้สงบ <c oughs> เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง อันนี้เป็นความสุขที่สูงกว่าความสุขที่จะได้จากความสุขที่เกิดจากการทำบุญทำทานรักษาสิ่งห้าความสุขที่ได้ที่ได้จากการรักษาสิ่งแปเนื้อมากกว่านั้นก็ได้สิ่งแปดสิ่งสิบสิ่งสองร้อยยี่สบสิ่งเหล่นี้จะช่วยส่งเสริมให้การดจริสตินั่งสมาธิให้จิตเข้าสู่ความสงบ ได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นได้นานขึ้นถ้าสียิ่งมากมความสงบของจิตก็จะมากขึ้นจะนิ่งได้นานหรือ <c oughs> นิ่งได้นานขึ้นเข้าสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าสีน้อยอก็จะทำให้เข้าสมาธิได้ยากได้ชา้าและอยู่ได้ไม่นาน อันนั้นถ้าเราอยากจะได้สวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ชั้นพรมเราต้องเพิ่มการรักษาศีลจากศีลห้าขึ้นมาเป็นศีลแปดแล้วก็ใช้เวลาให้กับการเจริญสติทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับ ให้คอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปกับอารมณ์ต่างๆให้ผูกไว้กับอารมณ์ของกรรมฐาน <c oughs> กรรมฐานนี้ก็คืออารมณ์ที่พระุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ชาวพุทธเราใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถ้าเราไม่มีอารมณ์ของกรรมฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใจเราก็จะลอยไปกับอารมณ์จะลอยไปกับความคิดต่างๆ แล้วก็จะทําทให้ใจเกิดความฟุ้งซ่านสกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาจะไม่ทําให้ใจสงบได้เลยถ้าใจไม่สงบ <c oughs> ก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอ <c oughs> ดังนั้นถ้าเราต้องการเข้าถึงความสงบเ <c oughs> ข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเราต้องพยายามถูกใจไว้กับ กรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งอารมณ์กรรมฐานก็มีหลายอย่างด้วยกันที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ได้เช่นฝูกไว้กับพุทธานุสติอันนี้ก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งคือเราเลือกถึงพระพุทธเจ้าให้มีสติเราเลือกรู้อยู่กับพระพุทธเจ้าด้วยการบริกรรมพุทธโธพุทธโธใบภายเมใจไม่ต้องออกเสียง ให้บริกรรมภายในใจตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรจะทำก็คือบริกรรมพุทโธพุทโธแล้วค่อยลุกไปทำอะไรต่อไปช่วงที่ลุกไปทำอะไรก็ให้มีพุทโธพุทโธคอยคำกับใจไปด้วยไปด้วยกันไปกับพุทโธอย่าไปกับความคิดปรงแต่งต่างๆให้เราจเจริญอยู่กับพุทโธพุทโธไป ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ให้มีพุทธโธอยู่เรื่อยๆนอกจากว่าถ้าเราต้องใช้ความคิดเราก็าจะต้องหยุดพุทธโธไว้ชั่วคราวก่อนพอเราคิดถึงเรื่องที่เราต้องคิดได้แล้วเสร็จแล้วก็อย่าปล่อยให้ไปคิดเรื่องอื่นอย่าไปให้ไปคิดเรื่อยเกย์จนเกิดความคุ้งคลานขึ้นมาได้ให้กลับมาอยู่กับพุทธโธไป แล้วเวลาที่เราไม่ต้องมีการกระทำอะไร <c oughs> เราก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธต่อไปถ้าเราสามารถเกาะติดอยู่กับพุทธโธไปได้อย่างต่อเ น, นื่อง <c oughs> เวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งใจก็จะสงบงา่ายใจก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง ได้ไปสวรรค์ถ้าเกิดถึงเวลาที่ใจเกิดถึงเวลาที่ร่างกายตายไปใจที่สามารถเข้าถึงสมาธิได้ก็จะไปอยู่สวรรค์ทั้นพรจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่กำลังของสมาธิว่าได้ปฏิบัติสร้างสมาธิขึ้นมามากน้อยเพียงไรสามารถอยู่ในสมาธิได้นานมากน้อยเพียงไร สวรรค์ชั้นโถมก็มีเวลาจะอยู่นานไม่นานก็อยู่กําลังของการปฏิบัติสมาธิถ้าปฏิบัติสมาธิมากสามารถควบคุมใจให้นิ่งให้สงบได้มากได้นาน<ม>ก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นโถมได้นานการสวรรค์ชั้นโถมก็ดีสวรรค์ชั้นเทพก็ดีนี่ก็ยังเสื่อมได้ พอบุญที่ส่งไปสู่สวรรค์ชั้นเทพหมดลงก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่หรือถ้าสมาธิที่ส่งให้ดวงวิญญาณไปอยู่สวรรค์ชั้นสูหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์หน่อยเราก็ต้องมาสะสมบุญใหม่มาทําบุญทําทางรักษาศีลห้าใหม่สำหรับผู้ที่มาจากสวรรค์ชั้นเทพ ขณะผู้ที่มาจากสวรรค์ชั้นถมก็จะกลับมารักษาสิงหเจริญสตินั่งสมาธิหน่อยไปเป็นนักบวชก็จะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าอยากที่จะไปแบบไม่กลับคือถ้าตายไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกก็ต้องพัฒนาปลูกพืชชนิดที่สามต่อจาก การรักษาถึงแปสถึงสิบหรือถึงสองร้อยี่สิบยี่บเจ็ดและการนั่งสมาธิให้สู่ให้เข้าสู่ความสงบได้พอออกจากสมาธิมาก็ต้องมาปฏิบัติอีกขั้นที่เรียกว่าขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาคือการสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ ใจอยากได้อยากมีอยากเป็นนี้ <c oughs> ล้วนเป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นอนิจจัง <c oughs> เป็นอนาาัตตาเป็นของที่เราไม่สามารถที่จะครอบครองเป็นสมบัติของเราไปได้ตลอด <c oughs> ได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมหมดไปพอเวลามันเสื่อมหมดไปมันก็จะทำให้ใจทุกข์ <c oughs> ถ้าเรายังติดอยู่กับสวรรค์ชั้นเทพเดี๋ยวสวรรค์ชั้นเทพหมดไป <c oughs> เราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่มาสร้างสวรรค์ชั้นเทพใหม่ถ้าเราติดสวรรค์ชั้นพรหมเราก็จะต้องกลับมาเกิดใหม่เวลาสวรรค์ชั้นพรหมเสื่อมไปหมดไปเราก็ต้องกลับมาเกิดถ้าเราไม่อยากจะกลับมาเกิดเพราะการเกิดมันไม่ดี เแล้วมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะยุดติดการกลับมาเรียนว่ายตายเกิดก็ต้องหมั่นสอนใจให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางโลกความสุขจากราบยศเสริญความสุขจากลูกเสียงกิ่นลถก็ดีความสุขจากสวรรค์ชั้นเทพก็ดีความสุขจากสวรรค์ชั้นพรมก็ดีล้วนเป็น อันนี้จังทุกขังอนัตาทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวเวลามันเสื่อมไปหมดไปมันก็จะทำให้ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วมันก็จะทำให้ใจกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังมีความอยากที่จะหาความสุขทั้งโลกหาความสุขจากการเสด็ลูกเสียงจิลดรสหาความสุขจากการไปอยู่บนสวรรค์ชั้นต่างๆ พอเราไปถึงสวรรค์ขั้นผมแล้วเราก็ถึงจะสามารถใช้ปัญญาหรือวิปัสสนาได้ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ถึงยังไม่ได้สมาธิการที่จะใช้ปัญญาเพื่อมาระ ง, งับความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจนี้ก็ยังจะไม่สามารถทำได้เพราะยังไม่มีกำลังก่อนเพราะฉะนั้นยังต้องทำเป็นขั้นๆไป กานที่หนึ่งจะสร้างสวรรค์ชั้นเทพขึ้นมาก่อนโดยการทําบุญทาทานรักษาศิ่งห้าพอเราทําบุญทาทานรักษาสิ่งห้าได้แล้วเราก็จะมีกําลังที่จะไปรักษาศิ่งแปดสิ 8, สิบหรือสิสองอยี่สิบเจ็ดแล้วเราก็จะมีเวลาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิก็สร้างสวรรค์ชั้นโทขึ้นมาเมื่อเราได้สร้างสวรรค์ชั้นโทขึ้นมาแล้วเราก็ ต้องมาสอนใจว่าอย่ามายึดมาติดกับสวรรค์ขั้นชมอย่ามายึดมาติดกับสวรรค์ั้นเทพอย่ามายึดมาติดกับความสุขทางโลกทางลาบยศสารเสืมทางรูปเสียงกินลเพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วข่าวเวลาเสื่อมไปหมดไปก็จะทำให้ใจทุกข์จะทำให้ใจต้องกลับมาเกิดมาหาความสุขเหล่านี้อยู่เรื่อย อยจะต้องมีการเรียน่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไปไม่มีวันสิ้นสุดสรุปก็คือเราต้องหยุดความอยากต่างๆให้ได้เวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิความอยากต่างๆมันยังเกิดขึ้นมาได้ความอยากเสพลูกเสียงกิ่นรสยังเกิดขึ้นมาได้ความอยากได้ความสุขจากราบยศสาเสริญก็ยังเกิดขึ้นมาได้เราก็ต้องตัดมันไปให้หมดโดยการ ใช้ปัญญาสอนใจว่าความอยากนี้เป็นเหตุที่พาให้เราต้องมาทุกข์มาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆเราต้องตัดความอยากเอาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสตาดความอยากนี้อยากเป็นตาดความอยากไม่มีอยากไม่เป็นให้หมดไปจากใจถ้าเราตัดได้หมดแล้วใจก็จะสงบใจก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นวิพานต่อไป ใจก็จะไม่ต้องกลับมาเวีนว่ายตายเฉลี่ยกต่อาไปใจก็จะอยู่กับความสุขของพรานิพพานไปตลอดไม่มีวันชึ่นสุดมีคือใจของพระพุทธเจ้านละใจของพระอรหันต์ตัณกทั้งหลายท่านได้ปลูกพืชนนชนิดต่างๆหรือท่านได้ทำบุญชนิดต่างๆมาตามลำดับทั้งแต่การทำบุญทำฌานรักษาศีลห้า รักษาสิ่งต่รักษาสิ่จิตมีรักษาศิสองยี่สิบเจ็แล้วก็เจริญสตินั่งสมาธิให้ใจสงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งดวงให้เห็นว่าไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับความสุขที่เกิดจากความนิ่งความสงบป่าเถื่ความอยากต่างๆพอรู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความ ป, ปราศจากความอยากต่างๆ เวลาออกจากสมาธิมาพอยมีเกิดความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก็ให้ตัดมันด้วยปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่อยา่างนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะนําไปสู่ความทุกข์ต่อไปไม่ช้าก็เร็วถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยา่าไปอยากหยุดความอยากถ้ามีสติมีสมาธิ <c oughs> มีอุเบคขา <c oughs> ก็จะสามารถสู้กับความอยากได้ อยากรูอยากฟังอะไรก็ฝืนได้อยากเป็นอยางเป็นอะไรก็ฝืนได้อยากไม่เป็นอะไรก็ฝืนได้หยุดได้ต้องอาศัายกำลังของสติสมาธิ <c oughs> ของอุเบกขาถึงจะสามารถใช้ปัญญามาระงับความอยากต่าง ๆ, ๆที่เป็นตัวพาให้จิตใจตั้งไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี่แหละคือ บุญต่างๆหรือพืชพรรณต่างๆของใจที่พระเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาปลูกกันปลูกพืชของใจคือปลูกบุญชนิดต่างๆบุญที่เกิดจากการทำทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลห้าแล้วก็เพิ่มจากไปสูก บ, บุญจากการรักษาศีลแปดศีสิบสงยี 10, ่เจ็ดแล้วก็ บุญที่เกิดจากการจเจริญสตินั่งสมาธิทางใจให้นิ่งให้สงบ <c oughs> พอใจนิ่งสงบได้ใจก็จะมีกำลังที่จะมาหยุดความอยากต่างๆได้พอใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าความอยากนี้จะนําไปสู่ความทุกข์ก็หยุดมันได้ใจก็จะชนะความอยากได้หมดพอไม่มีความอยากอยู่ในใจใจก็อยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ไม่ต้องมาอาศัยสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้ไม่ต้องมาหาราบยศสะลรเสริญหาลูกเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมาทำอะไรต่อไปทำบุญไม่ต้องไปหาสวรรค์ไม่ต้องไปหาอะไรแล้วพ<ม>อรู้แล้วว่าไม่มีอะไรดีกว่าการที่ไม่มีอะไรการที่ไม่มีความอยากนี่ดีที่สุดเมื่อไม่มีความอย า, ากเลใจก็จะสงบไปตลอดใจที่สงบไปตลอดก็เรียกวานนิพพาน นิพพานก็คือที่ไม่มีการเยินวายตายเกิดนี่นี่คือเป้าหมายของศาสนาพุทธสอนให้ศรัทธาสาธุชน <c oughs> มาปฏิบัติให้ถึงนิพพานกันเพอจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้การที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไปถึงนิพพานได้ก็ต้องละความอยากให้หมดไป การจะละความอยากให้หมดไปก็ต้องปฏิบัติทมต้องรักษาสินต้องทำบุญทำทานรักษาสินเจริญสมถะภาวนาวิปัสสนาภาวนาแล้วใจก็จะไปถึงพระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเว้นไหว้ตายเกิดได้ไม่ต้องมาเจอกับความทุกข์อย่างที่เคยเจอมาตลอดเวลาได้แนี้นี่ก็คือเรื่องของ <c oughs> พืชพืชทาง ทางใจที่พระพุทธเจ้าต้องการให้ชาวพุทธเรามาปลูกกันปลูกพืชทางใจด้วยการทำบุญทาทานด้วยการรักษาศีลด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาและเราก็จะได้ชำนาญใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความอยากที่เป็นตัวพาให้ใจต้องมาสุกกับทุกสิ่งทุกอย่างได้และก็จะทำให้ยุติการเวิยนว่ายตายเกิดได้ เมื่อไม่เกิดทุกข์ก็จะไม่มีต่อไปมีแื่เรื่องของทรามะที่จะมาฝากในท่านในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาลำดับต่อไปเราก็จะมานั่งสมาธิกันเพื่อมาทำใจให้นิ่งให้สงบให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเพราะว่าเราเมื่อเรามีความสุขจากความสงบแล้ว เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากราบยศกรร็รสดจากลูกเสียงจิตรถไม่ต้องไปหาความสุขกับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะถ้าเรายังไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้อยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เวลาเขาเป็นอะไรไปเขาก็เราก็จะต้องเศร้าโศกเสียใจความสุขที่ได้จากเขาก็จะสูญหายไปสิ่งที่จะเข้ามาในใจเราก็คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆ แต่ถ้าเรามีความสงบเป็นที่อยู่เป็นเป็นเครื่องให้ความสุขเราก็สามารถรักษาความสงบไปได้เรื่อยๆรักษาความสงบจนเป็นความสงบของพันุ์ที่ผ่านไปถ้าเรามีปัญญาเราก็จะรู้ว่าตัวที่มาทำให้ใจเราไม่สงบ ก, ก็คือความอยากตา่างๆและตัวที่จะมาหยุดความอยาก ต, าขขาต่างๆก็คือการเจริญสตินั่งสมาธินี่ วันนี้เราจะมาเจริญสติมานั่งสมาธิก็หยุดทางยาหยุดทางคิดต่างๆการที่เราจะทำใจให้นิ่งให้สงบเราถึงต้องอาศัยกรรมฐ า, านเป็นอารมณ์ถูกใจซึ่งเราสามารถเลือกใช้กรรมฐ า, านที่เราชดที่เหมาะกับเราได้บางท่านชอบใช้ทำบริกรรมพุโทโธก็บริกรรมพุโทโธไปบางท่านชอบใช้การดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปบางท่านชอบใช้การสวดมนต์ก็สวดมนต์ไปอย่างนั่งเฉยๆเพราะนั่งเฉยๆแล้วเดี๋ยวความคิดความอยากจะจดซึ่งแล้วจะทำให้จดความดิ้นรนทรม า, มานใจจดขึ้นมาจนไม่สามารถนั่งสมาธิได้แต่ถ้ามีอารมณ์ถูกใจไว้มีกรรมฐานถูกใจไว้ ดูลมไปบริกรรมพุโทโธไปนิสวดวนไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบใจก็จะจ่ยความสุดึ่งดังนั้นขอให้เราตอนนี้มาเจริญสติมาควบคุมใจอย่าปล่อยให้ใจคิดคุ้งสร้างให้อยู่กับการดูลมถ้าดูลมได้ก็ดูลมไปอยู่ที่ปลายจมูกลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้อยู่ที่จุดเดียว ลมจะสร้นจะยาวก็รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปบังคับให้หายใจลึกหายใจ ย, ยาวลมหายใจเป็นอย่างไงก็ให้รู้เฉยๆไปถ้าลมหายลมหายใจหายไปก็ไม่ต้องตกใจให้รู้เฉยๆไปว่าตอนนี้ไม่จับลมไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีตัวรู้อยู่นี้ไม่ไม่ต้องกลัวว่าร่างกายจะตายไม่ตายอย่างแน่นอนไม่มีใครตายเพราะการนั่งดูลมหายใจเข้าออก นีแต่กิเลสที่จะตายไปกิเลสคือความหลงต่างๆก็จะตายไปงั้นถ้าดูลมก็ต้องไม่ต้องตื่นเต้นตกใจดูอยู่ที่จุดเดิมต่อไปดูที่ปลายจมูกดูที่ว่าตอนนี้ไม่มีลมให้เห็นแล้วก็ ก, ก็รู้เท่านั้นรู้ต่อไปไม่ต้องคิดไม่ต้องประหยดัดทำอะไรถ้าใจกําเริบการพุโทโธก็พุโทโธไปถ้าจิตมันเด้งลงมามันตกจากที่สูงก็ให้รู้เฉยๆไป ไม่ต้องตื่นเส้นตกใจเวลาจิตเข้าสู่การสงบจากํารบริกรรมมันมอกจะเหมือนกับตกจากที่สูงลงมาก็ให้มีสติอยู่กับพุทโธไปเดินพอมันนิ่งสงบไม่ต้องพุทโธพุทโธไม่มีแล้วก็ไม่ต้องพุทโธแต่มันจะนิ่งสงบแล้วมีความสุขมันจะไม่อยากจะออกจากความความสงบนั้นไปก็ไม่ต้องพุทโธนอกจากว่าถ้ายังมีความอยากจะออกจากความสงบก็ต้องใช้พุทโธต่อไป ถ้าดูลมไม่ได้พุโทโธไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดไปเรื่อยๆจนใจจะหายฟุ้งซ่านใจจะนิง่งใจจะเบาใจจะสบายแล้วจะดูลมต่อก็ได้หรือจะใช้พุโทโธต่อก็ได้ต่อไปนี้ก็ขอให้มีสติดูยู่กับกรรมฐานเป็น อ, อารมณ์เงื่องงยืดเหนี่ยวจิตใจเพื่อทำจิตใจให้สงบจนกว่าจะหมดเวลา ตอนนี้ <c oughs> เวลาสนหรับนั่งสมาธิก็หมดลงตอนที่จะเลิกนั่งสมาธิก็ขอให้ท่านทบทวนดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบหรือไม่ถ้าสงบก็ให้จดจำวิธีนั่งไว้เพื่อเวลานั่งต่อไปก็มาใช้วิธีเดิมต่อไปอย่าไปอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้เพราะความอยากจะไม่ทำให้เกิดความสงบแต่การกระทำตามวิธีเดิมที่ได้ผล จะทําให้เราได้ความสงบต่อไปได้นถ้าอันนี้เรานั่งสติเราไม่เผลอใจเรานิ่งก็ให้จําวิธีไว้แล้วคราวต่อไปก็ให้ทําแบบนี้แล้วใจเราก็จะนิ่งจะสงบได้อีกเอาเป็นนี้จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลวาหาปุราปะลิปุรัญเสากะลัง เอวเมววะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปิชิตังคุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะลาสุยามาณิโชติลาสยาาสัพพิติโยววาจันโต สัพพโรโควินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขิทีขายุโกภวะอภิวาตนาสิลิสานิจจังวุธาปจายโนจตารโหตัมมาวทานติอายุวันโอสุขังปาลัง ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถา ม, ถามใครมีคําถามเมื่อไรอยากจะถามขอเทิรนถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแทนก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่การเปลี่ยนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง facebook พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสองท่านทาง youtube พระอาจารย์สุชาติ สองร้อยเจ็ดสิบสี่ท่านทาง u t u b e ดรวีสามสิบท่านทางวิทยุออนไลน์สิบท่านทางขับเ h า u ์หกท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิเจ็ดสิบสี่ท่านรวมทั้งหมดห9ร้อยเก้าสิบหกท่านครับค่ะมีคำถามฝากเข้ามาถามว่า การรักษาสัจจะในคําพูดนั้นต้องเป็นคําพูดที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาหรือเปล่าคะถึงจะนับว่าเป็นสัจจะคือมีเจตนามีเจตนาที่จะพูดที่จะทำแล้วไม่ทําตามที่เราทําตามเจตนาของเราก็เ ร, เรวเสียสัจจะไม่ใช่อยู่ที่สติอยู่ที่ปัญญาอยู่ที่ความตั้งใจถ้าเราตั้งใจจะรักษาศี่แปด แล้วพอถึงเวลาเราก็เปลี่ยนใจอย่างนี้ก็เรียกว่าเสียสัจจะคำถามข้อที่สามเหตุการณ์นี้หนูคิดทบทวนได้ว่าเวลาที่เราขาดสติกากับใจเราจะพูดโต้อตอบผู้กรณีเพื่อเอาชนะไม่ได้อธิบายด้วยเหตุผลหรือยืนบนหลักความจริงซึ่ง มันก็มาจากทิฐิมานะเราเองแม้เราจะเถียงชนะแต่เราแพ้กิเลสหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะใช่เราต้องชนะกิเลสอย่าไปชนะคนอื่นชนะคนอื่ น, น, น, นเป็นเป็นพันครั้งเป็นหมื่นครั้งก็สู้ชนะกิเลสไม่ได้พอชนะกิเลสแล้วใจเราสงบถ้าชนะคนอื่นแล้วใจเราวุาน่นแต่เขาต้องมาตาม มาแก้แค้นน้างแค้นเราอยู่เรื่อยๆ ง, งนันชนะตัวเราดีกว่าชนะกิเลสพระเจ้าบอกการชนะตอนนี้เป็นการชนะที่เลิศที่สุดเจ้าค่ะจากคุณปริตาภานั่งสมาธิฟังพระอาจารย์เทศ จิตนิ่งไปแป๊บเดียวถอนออกมาก็นั่งดูลมต่อแล้วจิตก็นิ่งไปถอนออกมาแบบนี้ประมาณสามสี่ครั้งค่ะอย่างนี้ถือว่าแก้าหน้าขึ้นไหมคะบางวันไม่นิ่งเลยบางวันนิ่งนิดเดียวถอนออกมายาวเลยค่ะมีวันนี้ที่ที่นิ่งหลายครั้งถึงจะไม่นานถอนออกมากลับเข้าไปดูลมใหม่สลับไปมาแบบนี้อยู่ที่ติของเราถ้าสติของเราดีต่อเนื่องเราก็จะนิ่งได้นาน ถ้าสติเรายังไม่ต่อเนื่องยังยังหายไปหายมาอยู่เผลอไปเผลอมาอยู่ผลของการนั่งมันก็จะมันก็จะเข้าๆออกๆเห้นต้องพยายามฝึกสติให้มันมีอย่างต่อเนื่องไม่ให้มันพังมันเผลอและเวลานั่งสมาธิมันก็จะอยู่ได้นานอยู่ได้ต่อเนื่องช่คหาคุณโชติกาถามเข้ามาว่า ตอนภาวนาช่วงแรกๆเห็นจิตว่างอยู่บ่อยครั้งตอนนี้ไม่เห็นแล้วควรทำอย่างไรต่อคะการภาวนาไม่ต้องการจะเห็นจิตว่างต้องการให้จิตสงบและจิตจะสงบได้ต้องมีกรรมฐานคอยกากับใจเช่นดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมพุทโธ อ, อย่านั่งเฉยๆแล้วคอยดูความว่างถ้านั่งอย่างนี้มันไม่มีวันที่จะว่างได้จิตจะว่างต่เมื่อจิตนิ่งสงบ จิตจะนิ่งสงบก็ต้องมีกรรมฐานคอยกํากับจิตไม่ให้ไปคิดปรุงแต่งเจ้าค่ะแล้วในระหว่างวันมีอาการลมเบาตัวเบาควรทรงอาการนี้ทั้งวันหรือทําอย่างไรคะลก็พิจารณาว่าเป็นไตรักเป็นของไม่เที่ยงมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอย่าไปยึดอย่าไปติดถ้าไปยึดไปติดเวลามันไปแล้วก็จะทําให้เราเสียใจ ให้ดูเฉยๆดูว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่อว่าอาการของจิตมันก็ไม่แน่นอนมันเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาบางทีก็นิ่งบางทีก็ไม่นิ่งบางทีก็วุ่นวายบางทีก็สงบก็ให้รู้ต่างความจริงแล้วเราจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันใช่ค่ะคุณเกมถามว่าติดมือถือติดโซเชียลดูเป็นคนไม่มีสุตตะทําอย่างไรครับโยนทิ้งไปให้หมดเลยถ้านแน่จริงก็โยนทิ้งไป อย่าใช้มันเมื่อก่อนไม่มีมือถือเราก็อยู่ได้มสมัยพระพุทธเจ้าไม่มีไฟฟ้าไม่มีวิทยุไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรกับดีกว่ากับบรรลุมรรคผลนิพพานได้ง่ายกว่า<ม>พอมีอะไรขึ้นมาแล้วนี่มันเป็นเรื่องของกิเลส ท, ทั้งหมดกิเลส ท, ที่มันจะหลอกให้เราไม่เข้าสู่ธรรมะมันพยายามดึงใจเราให้ออกจากธรรมะมเราต้องฝืนมันเราต้องตัดมันไป รู้ว่ามันมันไม่ดีเป็นพิษเป็นภัยก็อย่าไปมีมันดีกว่ายังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะถ้าใครอยู่ที่นี่อยากจะถามก็เชิญถามได้จะเข้ามาถามตรงนี้ก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดโยมพาฝรั่งมาอยากจะถามอะไรไม่ถามว่าด้ Okay, you want to ask? Come here. Cool. Cool. Cool. Nothing. Nobody bites you. If you have question, you can ask. Just come over here and we'll talk. Now, a o w m i c o phone? How m o n y u uh -uh, yeah. okay. uh, Hello. Yes, go ahead. Um, uh, I don't know if I have a question for the ceremony now. Um, um, can I ask the question for the the, the Buddhism in general or for the ceremony now? Anything you want to ask. Okay. No. Um, uh, okay. Um, where are the a uh, monk uh, live in? Uh, do you have a village, or do you live in uh, near to the temple, or? Who monks like yeah. us, like me. Yes. We live in the temple. We have separate houses nearby here. Okay. Okay. Mm -hmm. And um, um, the at uh, the Buddhism is like um, how you how you decide to to live is is it um, like a religion or because it's really similar but I don't know if it's the religion or just uh, how to decide to live. It's a system training the mind to train the mind. Not a religion. Mm. It's how to do things, how to make your mind happy, how to make your mind calm, mm. how not to make yourself not hurting other people. It's a system of training the mind, not a religion. Okay. There's no God here in Buddhism. We, God has no place in Buddhism. Okay. What has? What is the main thing in Buddhism? Is karma. Your action, what you do. If you do bad thing, it can hurt you. If you don't want to hurt yourself, then don't do bad thing, like killing, stealing, sexual misconduct, lying, drinking alcohol, for instance. This action will hurt you. So if you don't want to hurt yourself, you have to stop doing this thing. If you want to make yourself happy. You do good things for other people, help other people, make other people happy. And if you want to have more happiness, you can sit down and meditate, do meditation, like we do here now, to make ourselves happy. It's a m e t h o d of training the mind to be happy and not to be harmful to to okay. other people or ourselves. Okay. So, um, if uh, the people have any uh, religion, um, uh, he can be uh, also b u d d h i s t Yes, everybody can become Buddhist. Oh, okay. We have many other religion who became Buddhists. We have Westerners who were raised in the Christian tradition, and then they could not find the the, the happiness that they wanted. So when they discover Buddhism, they think this is the, the the thing that will help them to make them happy. So they come and study, and some of them became monks or so. Okay. Um, and my last question is uh, why uh, a monk or woman have to. Cut hair and uh, cut the hair body. Because hair is a problem. see? If you have hair, you have to have comb, you have to have shampoo. Ah, you okay. Have many things to do. When you shave, then there is nothing to worry about the hair anymore. Okay. Ah, thank you, Kapunka. มีคำถามเข้ามาหรือยังมีคำถามจากทางเฟเจ้าค่ะจากคุณยูโฮ ทำอย่างไรถ้าต้องทํางานร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวและไม่มีน้ําใจจ้ะรักเขาสิเมตตาขเขาเกว่าเขาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายสงสารเขามองเขาว่าเขาเป็นเหมือนเด็กไร้เดียงสาไม่รู้ผิดถูกดีชั่วงั้นอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาให้อภัยเขาแผ่เมตตาการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวด น, นั่งอยู่ในบ้านสวดแผ่เมตตาพอไปเจอเขาขับไปโกรธไปเกลียดเขานี่ไม่ได้แผ่เมตตา สา่เมตตาต้องแผดด้วยการกระทำเวลาเห็นใครเขาไม่ดีเราก็ให้อภัยเขาไปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเอาโทษ<ม>เขามีผู้ที่จะไปเอาโทษเขาอยู่แล้วคือกรรมของเขาเนั่นแหละเขาทำกรรมอันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราต้องสงสารเขาเสียมากกว่าไม่ใช่ไปโกรธไปเกลียดไปซ้ำเติมเขาว่าทำอย่างงี้เดี๋ยวต้องใช้กรรมแน่แน่เดี๋ยวก็ต้องโดนดีไม่ช้าก็เร็ว จากทางเฟซบุ๊กกลับมาสักการพระอาจารย์ครับขอโอกาสและคำแนะนำเราจะขจัดความกลัวในความมืดได้อย่างไรให้มีสติครับก็ฝึกอยู่ในความมืดเนี่ยซ้ำ อ, อยู่เรื่อยๆเวลาอยู่ในห้องก็ปิดไฟดูหันอยู่กับความมืดไปต่อไปมันชินกับความมืดมันก็ไม่กลัว จากยูทูบสิคะทําไมเวลาเราเจออะไรที่ช่วยเหลือคนเห็นแล้วร้องไห้แบบนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าครับเวลาอะไรนะเวลาเจออะไรที่ที่ช่วยเหลือเหมือนอาจจะไปเจอคน <จะ S 1> ช่วยเหลื อ, ลอค่ะแล้วก็ร้องไห้สงสารเขาค่ะมันเป็ น, ปนกิเลสหรือเปล่าเนี้ยค่ะไม่เป็นหรอกมันเป็นความสงสารค่ะแล้วก็จากคุณอเวถาม ถามเขามาว่าภาวนาอย่างไรให้เห็นจิตเติมแท้คะก็ต้องนั่งสมาธิจนจิตรวมนะจิตสงบกก็จะเห็นจิตแท้เป็นยังไงค่ะจากคนอนิจจังทุกขังอนัตตาหนูนั่งสมาธิแล้วเห็นลมหายใจหมุนเวียนไปทั่วร่างกายทำให้รู้สึกว่ามีร่างกายแล้ว หนูควรระลึกรู้ต่อไปเช่ไนไดถ้าเกิดสภาวะเช่นนี้อีกค่ะ อ, อ๋อถ้าดูลมให้ดูที่ปลายจมูกอย่าตามลมไปทั่วไปให้ดูตอนที่มันเข้ามันออกยุดดูที่จุดนั้นจุดเดียวแล้วใจก็จะเนิง่งจะสงบใจจะว่างจะไม่มีเรื่องราวต่างๆมาให้เราวุ่นวายยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะเวลานั่งสมาธิต้องระวัง เวลามีอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้นั่งเราได้ยินเสียงอย่างเมื่อกี้เรานั่งสมาธิแล้ว เ, เสียงจักกจั่นมันร้องอย่างนี้ก็อย่าไปสนใจมันเราพุโทโธต่อไปหรือเราดูลมต่อไปหรือสวดมนต์ต่อไปแล้วเสียงเหล่านั้นก็จะไม่มาลบปวนใจเราแต่ถ้าเราไปสนใจเราอยากทะให้มันหายมันโนกขูมันก็จะทาให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาได้ดังเวลานั่งสมาธิพยายามผูกใจไว้กับอารมณ์ที่เราใช้ ถ้าอยู่กับพุโทโธก็พุโทโธไปอย่างเดียวจะได้ยินเสียงจะรู้สึกร่างกายพันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจจะมีอะไรเข้ามาให้เห็นข้างในก็ไม่ต้องไปตามเห็นอย่าไปสนใจกับทุกสิ่งทุกอย่างให้สนใจอยู่กับอย่างเดียวก็คือกรรมฐานที่เราใช้เป็นเครื่องผูกใจใช้ลมก็อยู่กับลมใช้พุโทโธก็อยู่กับพุโทโธให้การสวดมนต์ก็อยู่กับการสวดมนต์ไป แล้วใจจะเย็นใจจะนิ่งจะไม่เดือดร้อน<ม>วุ่นวายกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามพระอาจารย์นะค่ะหนูนั่งแล้วหนูติดตรงที่ว่านั่งนั่งไปสักพักแล้วเหมือนมีคนเปิดไฟค่ะเป็นแสงเข้าก็ไม่ต้องสนใจมันออกตลอดเลยหนูติดตรงนี้ค่ะไม่ต้องไปสนใจก็ให้รู้ท่านเองรู้ว่ามันมีแสงเข้ามา เราก็พุทโธต่อไปดูลมต่อไปทาให้หนูลืมตาแล้วเริ่มใหม่ก็นะหรูตกใจหนูห น, หนูมีอาการอาการต่อต้าน น, นี่อย่าไปสนใจจะมีแสงมีเสียงอะไรก็เปิดขึ้นมามีรูปอะไรให้เห็นก็ไม่ต้องไปสนใจกลับมาที่กรรมาฐานถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้าดูลมไม่ได้ก็ใช้พุทโธใช้คำเมยกรรมแทนไป